นี่มาขึ้นคาถาของพระปุณณะมันตานีบุตรนะพระปุณณะเนี่ยมีหลายรูปนะพระปุณณะชาว ส, าสุนาปรันตะอีกรูปหนึ่งพระปุณณะมันตานีบุตรก็อีกรูปหนึ่งนี่นะได้ยินว่าพระปุณณะมันตานีบุตรเทระเนี่ยได้พาสิทคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าบุคคลควรสมาคมกับสัตว์บุตรผู้เป็นบัณฑิตชี้แจงประโยชน์เท่านั้นอันนี้เหมือนกับสั่งเลยบอกว่าถ้าจะครบนะ ให้คบกับสาว บ, บรุษคือพระอริยะเป็นต้นนะนะให้คบกับบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้ที่ไม่ทาทุจริตทางกายวาจาและทางใจนะแล้วก็เป็นผู้ที่ชี้ประโยชน์นะชี้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะให้ไปคบกับบรุษเช่นนั้นเหมงอนนเพราะทีระชนทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นด้วยเรียกว่าเห็นประจักษ์ด้วยปัญญา ย่อมได้บรรลุถึงประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ประโยชน์อย่างลึกซึ้งเห็นได้ยากละเอียดสุขุมพราะเมื่อได้รับฟังคาชี้แจงจากบัณฑิตแล้วเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาไม่ประมาทพอไม่ประมาทเขาก็สามารถที่จะภาพเพียรปฏิบัติบรรลุถึงประโยชน์เหล่านั้นได้นี่เป็นคาถาที่พระปุณณามนตานิบุตรเถระท่านกล่าวเอาไว้ ส่วนประวัติความเป็นไปเป็นมาของท่านเนี่ยนะว่าพระปุณณมันตานีบุตรก็บําเพ็ญบารมีมาหนึ่งหนึ่งแสมหากรัปเหมือนกั น, น ไ, ได้ยินว่าพระเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมาหาสารกรุงหงสาวดีก่อนกว่าการเสด็จอุบัติของพระทศพลเนี่ยนะพะนามว่าปทุมุตระทีเดียวถึงความเป็นผู้รู้โดยลําดับเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกไปสู่วิหารพร้อมกับมหาชน เหมือนกับที่เคยกล่าวไปแล้วก็ไปในเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ไปนั่งท้ายบริษัทฟังธรรมอยู่ฟังธรรมก็สูตรเขาก็คือฟังอริยสัจนั่นแหละฟังธรรมก็คือฟังอริยสัจบางศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเห็นพระศาสดาเนี่ยทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตําแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุผู้เป็นพระธรรมกถึกทั้งหลายพระธรรมกถึกก็คือผู้แสดงธรรมเนี่ยนะ ผู้แสดงธรรมในโดยทั่วไปเนี่ยที่เรียกว่าธรรมกถึกก็คือผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดในมหาภูต ร, รูปสี่ผู้แสดงธรรมเพื่อเบื่อนายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าในภาษายตนาหกอ่ะเรียกว่าทัพรธรรมกรถึกเนี่ยนะพราฉะนั้นก็พระผู้ประกาศธรรมเพื่อความพ้นทุกขเนี่ยตัวเองก็เห็นอย่างนี้ก็เลื่อมใสก็เลยคิดว่าในอนาคตการแม้เราก็ควรเป็นอย่างพิสูจนนี้เนี่ยนะ คือเป็นพิสูจน์ที่แสดงทำให้เขาพ้นจากอุปาทานขันห้านะให้พ้นจากความยึดถือในมหาภูตรูปสี่ภาษายตนาหเป็นต้นคือไม่ใช่ว่าเป็นคนพูดมากแล้วเรียกว่าธรรมกถึกเนี่ยนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในวัตฏะเรียกว่าพระธรรมกระเถิบเหมือนกังงนเพราะในเวลาจบเทศนาเนี่ยนะเมื่อบริษัทเลิกประชุมกันแล้วก็อุบาสกคนนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ภูนาราธนากระทำ ม, มหาสการะโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหละก็คือนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันเจวันพอหลังจากทำบุญเสร็จก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยก่อสร้างอธิการนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละบางท่นแต่ในอนาคตการขอให้ข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิศกว่าพิสูน์ทั้งหลายผู้เป็นธรรมมัตถึก คือผู้กล่าวทรรมผู้แสดงคํเนี่ยนะก็คือกล่าวอริยสัจจะทาเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเองในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเหมือนอย่างภิกษุรูปนั้นที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้พระธรรมกทึกในสุดท้ายของวันที่เจดังนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนางนั้นการตั้งความปรารถนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุพเจริยาของพระ พุทธเจ้าพระปเจกกับพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านทํากันนการตั้งความปรารถนาเนี่ยนะตัวนี้แต่ว่าตั้งความปรารถนาะอันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเสียหายแต่เป็นการตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์นะเมื่อบรุษเป็นบรุเป็นพระอรหันต์แล้วก็สามารถทํากิจนั้นๆได้เนี่ยนะพระบรมศาสดาก็ตรวจดูอนาคตการทรงเห็นความสําเร็จแห่งความปรารถนาของเขาจึงทรงพยากรณ์ว่า ในที่สุดแห่งแสนกับในอนาคตการพระพุทธเจ้าพระนามวโคตมะจัดเสด็จอุบัติเธอบวชในศาสนาของพระองค์แล้วจักเป็นผู้เลิศกว่าพิสูจนทั้งหลายฝ่ายธรรมะกะถึกเหมือนะผู้กล่าวธรรมผู้แสดงธรรมเขาทำคุณงามความดีอยู่ในมนุษย์โลกจนตลอดชีวิตจุติจากมนุษย์โลกนะั้นแล้วก็สั่งสมบุญและญาณสมพานนะนะก็สัมภาระนะ เตรียมเหมือนกับเรามานี่หมขนสัมภาระดันมาหน้าดูเลยนะนี่ก็เหมือนกันนะสาระสัมภาระที่จะต้องเป็นไปในวัตฏะก็คือบุญและยานี่นะต้องสังสมสัมภาระเหล่านี้ไปท่านก็สังสมอย่างนี้อีกแสนกับท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครั้นถึงศาสนาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็บังเกิดเป็นหลานชายของพระัญญากณทัญะเถระในตระกูลพราหมณ์มหาสาร ก็เกิดในตระผู้ดีมีตระกูลเลยแล้วไนงะในหมู่บ้านพรามชื่อว่าโทนวัตุไม่ไกลาจากพระนครก บ, บิลพัทในวันตั้งชื่อของเขาคนทั้งหลายก็ได้ขนานนามเขาว่าปุณณนะนี่นะชื่อปุณณนะปุณณนะเนี่ยแปลแบบไทยๆก็คือนายเต็มปุณณนะเนี่ย น, นะปุณณมีก็คือวันเต็มอ่ะนะวันพระจันทร์เต็มดวงในชะ่ไหมนั้นปุณณะก็คือนายเต็มนั่นแหละแปลเป็นไทยๆเราอ่ะนะ ใช่บริบูรณ์น่ะบริปุลณะเนี่ยนะเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้อภิสัมโพธิญาณทรงประกาศธรรมจากอันประเสริฐเสด็จไปสู่กรุงราชครือโดยลําดับทรงเข้าไปอาศัยกรุงราชครกนั้นประทับอยู่ปุลณะมานพบวชในสำนักของพระอัญญากุลธัญญาธิระนะคือหลังจากที่พระัญญากณลัญญาบรรลุเป็นพระาวหันเนี่ยนะท่านก็ไปสงเคราะห์หลานของท่านหลานของท่านก็ได้บวช กระทำบุพกิจทุกอย่างแล้วขวนขวายในความเพียรยังกิจแห่งบันปะชิตให้ถึงที่สุดแล้วเที่ยวยก็พระอัญญากลทัญญะสอนท่านปฏิบัติตามก็บรรลุเป็นพระอระหันต์ทีนี้ท่านก็คิดว่าเราจะไปสู่สำนักของพระทศพลแล้วได้ไปยังสำนักของพระศาสดาพร้อมกับพะเถระผู้เป็นลุง หยุดพักในที่ใ right กล้กรุงกบิลพั์แล้วกระทากรรมในโยนิโสมนัสิการควรควายวิปัสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์ต่อการไม่นานเลยเนี่ยนะฉั้นการปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือการทํากรรมในโยนิโสมนัสิการนั่นเองเนี่ยนะเมื่อวานที่สนทนากาันใช่ไหมว่าปฏิบัติคืออะไรก็คือการทํากรรมในโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะนี่ผูการไปก่อนเลยนะงั้นเห็นประโยคน์นี่แหละว่ายโยนิโสมนัสิกานนั่นแหละรเรียกว่าเป็นการ ปฏิบัติเนี่ยนะแต่ถามว่าโยนิโสมานสิกานยังไงก็โยนิโสมานัสิการในอริยสัจเนี่ยนะความจริงของอริยสัจเป็นยังไงก็คือถ้าทุกขาริยสัจเป็นความจริงที่ไม่เที่ยง <another part> เป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอสุภะเนี่ยนะก็มานสิการตามเป็นจริงในในทุกขาริยสัจเหล่านั้นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกศอนเป็นต้นนะก็มานสิการไปในทุกขันทุกอายตนะทุกธาตุเนี่ยอย่างนั้นน่ะนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติ จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการตัดฉันทราคะเนี่ยนะทำเรียกว่าละวิปลาสนั่นแหละถ้าละวิปลาสได้เด็ดขาดเมื่อไรก็เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยโยนิโสมนัสการสามารถที่จะเห็นอริยสัจเพราะท่านขวนขวายในวิปัสสนาอย่างนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อการไม่นานเลยทีนี้ในอัตถกถาท่านก็ยกข้อความในคมภีอปทานเนี่ยนะมากล่าวว่า คือคำที่พระปุณณะเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ว่าเราเป็นพราหมณ์ผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบตรัยเพศอันสิทธ่่ห้อมล้อมแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อุดมบุรุษ น, นะผู้บุรุษสูงสุดเนี่ยนะสูงด้วยอะไรก็คือสูงด้วยคุณธรรมทั้งหลายนั่นเองพระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกนะโลกวิทูนะรู้แจ้งโลกนะนะอะไรบ้างสัตวโลกสังขารโลกโอกาสโลกนะี่ย สังขารโลกก็ยังมาแบ่งประเภทอีกใช่ไหมโลกหนึ่งคือสัเพสตาหารติติกาโลก2นามรูปโลก3เวทนาสาโลก4อาหาร4โลกหอุปาทานขัน5โลก6ก็คืออเยตนะภายใน6โลก7ก็คือวิญญาณทิติ7น่ะโลก8ก็คือโลกกระม8โลก9ก็คือ สัตตาวาส9โลก10อายตนะ10โลก12อายตนะสโลก18บท่า18ทีนี้รู้แจ้งโลกอะสังขารโลกเนี่ยรู้แจ้งยังไง ร, รู้แจ้งว่าโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธาคามินีปฏิปทานะั่นเองนะทั้งก็สมะอย่างเช่นภาษายตนะใช่หมภาษาายตนะสมุทัย ภาษายตนาณิโรธภาษายตนาณิโรธถาคามินีปฏิปทามันก็คือมองเห็นอริยสัตว์นะประมวลสิ่งเหล่านั้นวันนี้ทุกทุกเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากตันหานี่นะถ้าตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกเนี่ยด้วยข้อปฏิบัติที่ไปกําหนดรู้โลกนะนะละโล ก, กับสมุทัยเนี่ยนะทำโลกกับนิโรธให้แจ้งไอข้อปฏิบัติอันนั้นแหละเป็นอริยมรรคเนี่ย เพระองค์นี้รู้แจ้งโลกะนะทีนี้ก็รู้ต่อไปว่าใครมั่งที่พอจะบรรลุอย่างนี้ได้ก็ตรวจดูในสัตว์วัโลกทั้งหลายใช่ไหมสัตว์วัโลกอยู่ที่ไหนก็อยู่ในโอกาสโลกะนะอยู่ตามสถานที่ต่างๆพระมหามุนีพระนามวัปทุมุตระเนี่ยพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกก็คือโลกประสาพันยูรู้สรรพสิ่งทั้งหมดท่งรับเครื่องบูชาแล้วก็ทรงประกาศกรรมของเราโดยย่อ เราได้ฟังธรรมนั้นแล้วก็ถวายบังคมภาษาสดาประคองอัญเชลีมุ่งหน้าเฉพาะทิศทักษิณกลับไปครั้นได้ฟังธรรมโดยย่อแล้วแสดงได้โดยพิสดารสิทธ์ทั้งปวงก็พอใจนะจริงๆความสามารถของท่านมีตั้งแต่เมื่อแสนกลับที่แล้วท่านไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านิดๆหน่อยๆนะย่อๆเนี่ยท่านกลับไปเล่าให้ลูกศิษย์ท่านฟังได้นะอธิบายให้ลูกศิษย์ท่านฟังได้ลูกศิษย์ท่านก็พอใจมากฟังคําของเรากล่าวอยู่ ก็บันเทาทิฐิของตนแล้วนะบันเทาทิถิก็คือละไอความเห็นผิดของตัวเองนะยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเราคือพวกลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยหลังจากที่อาจารย์กลับไปเล่าให้ฟังก็ละทิฐิของตัวเองก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม้ฟังโดยย่อก็แสดงได้โดยพิสดารเะนั้นเราเป็นผู้ฉลาดในในยะแห่งพระอภิธรรมนะก็คือรู้อภิธรรมฉลาดมาก เป็นผู้ฉลาดในความหมดจดแห่งกระทาวัตถุกระทาวัตถุก็คือเรื่องที่ควรพูดมีอยู่สิบเรื่องเรื่องอะไรบ้างที่ควรพูดก็คือเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องการไม่คลุกคลีเรื่องปรารบความเพียรเรื่องวิเวกเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะอันนี้คือเรื่องที่ควรพูดนะคือเอะไรเช่นมักน้อยนะมักน้อยในปัจจัยสี่มักน้อยใน ทุดงมักน้อยในปริยัตมักน้อยในอธิคมเนี่ยนะไอ้คาว่ามักน้อยเนี่ยในในปัจจัยสี่หมายถึงว่าไม่มากๆในปัจจัยสี่ในขณะเดียวกันถามว่าท่านต้องการอะไรท่านก็ต้องการคุณธรรมชั้นสูงไม่ใช่ว่ามักน้อยในบุญนะนะมักน้อยในปัจจัยสี่นั่นเองแล้วก็ปรารถนาในบุญเนี่ยนะก็ท่านก็มักน้อย นะ่่าวเรื่องมักน้อยกล่าวเรื่องสันโดษเนะนะี่ยนะสันโดษก็รู้จักพอซะบ้างอย่างงี้ยนะนแล้วก็กล่าวเรื่องสันโดษแล้วก็เรื่องวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนเรื่องการไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีทางกายไม่คลุกคลีทางวาจาไม่คลุกคลีในทางพูดคุยกันไม่คลุกคลีด้วยการจับต้องกายการเป็นต้นแรกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้กันอ่ะว่าไม่คลุกคลี เมื่อไม่คลุกคลีอย่างนั้นก็ทำไงก็ปรารพความเพียรนะความเพียรทางกายและความเพียรทางจิตถามว่าเพียรทำอะไรก็เพียรเจริญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองอันเรื่องทั้งสิบประการนี้เป็นเรื่องที่ควรพูดควรกล่าวเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในพระพิธรรมแล้วก็ฉลาดในคถาวัตถุอย่างนี้ก็ยังป่วงชนให้รู้แจ้งแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ในกัปที่500แต่พัฒกับนี้มีพระเจ้าจากักรพรรดิสีพระองค์ผู้ปรากฏด้วยดีทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนจิตประการเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4ี่คุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แอภิญยาหเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่ไท่านก็ปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาเสร็จแล้ว ก, กุลบุตรผู้บวชในสำนักของพระปุณณเถระนะคือท่านมีลูกศิษย์อยู่500อคนนะนพระเถระสั่งสอนพิสุทั้ง500รูปด้วยคาถาวัตถุ10บเฉพาะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ได้คาถาวัตถุ10คือท่านสอนคาถาวัตถุสิแล้วท่านก็ปฏิบัติอยู่ในเรื่องคาถาวัตถุสิบด้วยนะถามว่าข้อปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็คือท่านมักน้อยท่านเป็นผู้สันโดษเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ไม่คลุกคลีจริงๆ ท่านเป็นผู้ที่กายวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรทางกายและจิตเป็นท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยาณทัศนะเนี่ยอย่างเงี้ยแหละเรียกว่าท่านเป็นผู้ได้กถาวัตถุสิบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจริญสังขานุสติเนี่ยนะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มักน้อยเนี่ยนะท่านเป็นผู้สันโดษท่านเป็นผู้ไม่คลุกคลีท่านเป็นผู้วิเวกกายวิเวกเป็นต้นนะนะท่านเป็นผู้ ปลรลบรความเพียรทางกายและจิตท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์ะเนี่ยนะเอาไว้เจริญสังขารุสติผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยนะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่างแท้จริง ผู้ปฏิบัติตามนี้ควรแก่การกราบการไหว้ควรสักการะควรยกย่องควรสรรเสริญท่านเหล่านี้แหละเป็นนาบุญของโลกนั่นนะนั่นพระปุณณะทั้งลูกศิษย์ของท่านก็ผู้ที่อยู่ในคาถาวัตถุสิบประการภิกษุทั้ง500รูปเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของท่านก็เป็นพระอรหันต์นี่นะปฏิบัติตามคาถาวัตถุสนะิบน ะ, ะถามว่าคาถาวัตถุสิบคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานะไหวย่อๆก็คือหลักตรสิกขานั่นเอง พิสน์เหล่านั้นรู้ว่ากิจแห่งบันปะชิตของตนเนี่ยถึงที่สุดคือบรรลุเป็นพระารหารกันหมดแล้วเนี่ยนะก็พากันไปหาพระอุปชาคือพระปุณณะกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกิจของก้าผมทั้งหลายถึงที่สุดแล้วได้ยังทั้งยังได้คาถาวัตถุสิบอีกด้วยคือปฏิบัติอยู่ในคาถาวัตถุสิบแล้วสอนผู้อื่นในคาถาวัตถุสิบได้นะทั้งท่านลูกศิษย์เ น, นี่ยเป็นอย่างนั้นหมดเลยก็แสดงว่าท่านก็เป็นนักเทศเรื่องเนี่ยเรื่อง ท่านเป็นนักเทศแล้วลูกศิษย์ของท่านทุกรูปเป็นนักเทศหมด500ร้อยเนี่ยนะนักเทศก็คือมันจะว่าโอ้พูดได้มากพูดได้ยาวแต่เนื้อหาไม่มีอะไรไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่สอนเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าเป็นต้นเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเป็นต้นด้วยคุณธรรมทีนี้ท่านเหล่านั้นก็กล่าวกับอาจารย์ว่าบัดนี้เป็นโอกาสที่พวกกับผมจะเข้าเฝ้าพระโทศพลเนีย่ยนะบรรลุเป็นพระทหารก็อยากไปกราบพระพุทธเจ้า พระธีระฟังคําของภิสูจน์เหล่านั้นแล้วคิดว่าพระศาสดาทรงทราบข้อที่เราเป็นผู้ได้กระถาวัตถุสิเมื่อเราแสดงธรรมก็แสดงไม่ละทิ้งกถาวัตถุสิบเลยปฏิบัติตามหลักกระถาวัตถุสิบหมดสอนกระถาวัตถุสิบอย่างนี้เรียกว่านักเทศจริงๆเรียกว่าธรรมะกระถึกอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพฉะนั้นเมื่อเราไปพิสูุเหล่านี้แม้ทั้งหมดจากห้อมล้อมเราไปการเข้าไปฝ้าพระโทศพล โดยการรับคนด้วยหมู่คณะอย่างนี้ไม่สมควรแก่เราเลยพิสูจเหล่านี้จงเข้าไปเฝ้าก่อนเถิดดังนี้นะคือท่านเนี่ยรู้ว่าท่านนะดำรงอยู่ในคาถาวัตถุสิบสอนคาถาวัตถุสิบถ้าเราไปพร้อมกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ห้อมล้อมเราไปเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เอาอนนะให้ลูกศิษย์เขาไปก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวกับพิสูจเหล่านั้นว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงล่วงหน้าไปเฝ้าพระตถ า, าคตเจ้าและจงถวายบังคมพระบาทของพระองค์ตามคําของเราด้วยแม้เราก็จะติดตามไปตามทางที่ท่านทั้งหลายไปแล้วนะ่าให้ลูกศิษย์ไปก่อนเดี๋ยวตามไปพระเถระเหล่านั้นแม้ทุกๆรูปล้วนเคยอยู่ในแคว้นอันเป็นชาติภูมิของพระทศพลนี่นะก็คือเคยอยู่ในแคว้นสักกะนั่นเอง ทุกๆรูปเนี่ยล้วนมีปกติได้กระถาวัตถุสิบรับโอวาทของพระอุปชาของตนของตนแล้วก็ไหว้พระเถระเที่ยวจาริกไปโดยลำดับล่วงหนทางเนี่ยโยชนี่คือจากเมืองกบิลพัสด์มากรุงราชครึกนะโยชน์หโยชน์คูณ16กิโลเมตรเนี่ยนะก็หลายร้อยกิโลอยู่เหมือนกันท่านก็ตรงเข้าไปยังวัดเวลุวันในกรุงราชครึกถวายบังคมพระ พระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งลงหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็การต้อนรับปราศัยกับพระภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเป็นธรรมเนียมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยสังสมแล้วคือการต้อนรับอาคันตุกะเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวัดอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงทาปฏิสันฐานกับภิกษุเหล่านั้นโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเป็นพออดทนได้หรือเธอไม่เดือดร้อนในเรื่องบินทาบาทหรือเป็นต้นเนี่ยนะก็สอบถามปลาสายกันอย่างนี้แล้วก็ตรัสถามว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็เธอทั้งหลายเนี่ยมาจากไหนพิสูจน์เหล่านั้นก็กราบทูลให้ทรงทราบถึงชาติติภูมิแล้วจึงรับสั่งถามพิสูจนผู้ได้กระถาวัตถุ10ต่อไปอีกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้เป็นเพื่อนพรหมจารี ผู้มีชาติภูมิอยู่ในถิ่นกําเนิดทั้งหลายเนี่ยใครน้อแลที่ถูกยกย่องว่ามีความปรารถนาน้อยด้วยตนเองแล้วก็บอกสอนความปรารถนาน้อยแก่ภิกษุทั้งหลาย น, นะมีไหม น, นะองค์ไหนบ้างล่ะที่ตัวเองก็มักน้อยแล้วก็บอสอนผู้อื่นในเรื่องมักน้อยด้วยตัวเองเป็นผู้สันโดษก็สอนผู้อื่นในเรื่องสันโดษ ด, ด้วยตัวเองเป็นผู้ไม่คลุกคลี ก็สอนผู้อื่นในเรื่องไม่คลุกคลีด้วยตัวเองเป็นผู้ที่วิเวกนะนะกายวิเวกเป็นต้นก็สอนผู้อื่นให้มีกายวิเวกเป็นต้นตัวเองเนี่ยเป็นผู้ปราบความเพียรทางกายทางจิตก็กล่าวสอนแนะนําผู้อื่นในการปราบความเพียรทางกายและจิตตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลก็สั่งสอนแนะนําคนอื่นให้บริบูรณ์ด้วยศีลด้วยตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสมาธิก็สอนผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยสมาธิ ตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาก็สอนผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยปัญญานี่ยนะตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวิมุตติก็สอนผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยวิมุตต์ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะก็สอนให้ผู้อื่นเนี่ยอยู่ในวิมุตติยานัทสนะด้วยสรุปว่าตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคอริยผลปัจจเวขณะยานเนี่ยนะก็สอนให้ผู้อื่นเป็นอย่างนั้นด้วย พิสูจนเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปุณณะท่านพระปุณณะมัณฑนีบุตรพระเจ้าข้าก็คือพระพระปุณณะเนี่ยมีคุณธรรมอย่างที่พระองค์กล่าวหมดเลยเหมือนกันท่านภาษารีบุตรฟังคํานั้นแล้วก็มีความประสงค์เนี่ยจะพบพระปุณณะเถระเนี่ยนะอยากเห็นนะคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าถามแล้วก็ยกย่องต่อหน้าพระพุทธเจ้านะเรียกว่ายกย่องในพุทธสมาคมเหมือนกันเถอะ ภาราพุทธฟังแล้วมาอยากจะสนทนากับท่านนี้เหลือเกินเนี่ยนะคือทําไมท่านท่านพระเทระทั้งหลายเนี่ยนะคือพระผู้เป็นบัณฑิตก็ยกย่องท่านพระพุทธเจ้าก็ยกย่องท่านก็อยากจะสนทนากับผู้มีปัญญาบ้างเหมนกันะกับผู้มีคุณธรรมเช่นนี้นะแสดงว่าไม่ธรรมดานะขนาดพรภาษาบุทธยังอยากสนทนาด้วยเหมือนกัน ลำดับนั้นพระษาสดาเสด็จจากกรุงราชจะครึกไปยังพระนครสาวัตถีแม้พระปุณณเถระทราบว่าพระษาสดาเสด็จมาในที่นั้นแล้วไปก็ด้วยคิดว่าเราจะเข้าพระศาสดาก็เข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าภายในพระคันตกุตีทีเดียวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระคันตกุตีที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแก่พระเถระพระเถระฟังธรรมแล้วถวายบังคมพระษาสดาก็เสด็จเข้าท่านก็ไปสู่ป่าอันทวัน คือหลังหลังวัดพระเชตวันเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีป่าอันธวันเนื้อที่เป็นพันพันไร่อ่ะเพราะนั้นท่านเหล่านั้นก็จะไปหลีกเร่นอยู่ในป่าอันธวันคําว่าหลีกเลนในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นพระทหารก็คือเข้าไปเข้าพระสมาบัติอยู่ในป่านั่นเองท่านนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้ต้นใดต้นหนึ่งไหนนะมุชูลองไปนั่งโคนต้นสนได้ยังมาต่กลางวันกลางวันนะนะแมงกวนให้เกินหนึ่งอันไหน ทีนี้ฝ่ายภาษาริบุตรเทระเนี่ยก็ทราบการมาของพระปุณณ์มันตานีบุตรนี่นะก็ไปจากสถานที่ซึ่งเคยมองดูเป็นประจำคือเนื่องจากว่าลูกศิษย์ของท่านะนะท่านสั่งลูกศิษย์เอาไว้ว่าถ้ามีข่าวว่าพระปุณณะเข้ามาเนี่ยให้แจ้งให้ท่านทราบด้วยเพลูกศิษย์ก็ไปแจ้งให้ภาษาริบุตรทราบภาษาริบุตรศบโอกาสก็เข้าไปหาพระปุณณะเทระผู้นั่งอยู่ณโคนต้นไม้ สนทนากับพระเถระแล้วก็สอบถามถึงวิสุทธิกะถา7กระท่านานะก็คือในรัฐวินีตะสูตรนะว่ า, าท่านประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อศีลวิสุทธิหรื อ, อนะหรือประพฤติเพื่อศีจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมคามนคะายานทัศนวิสุทธินะปฏิปทายานทัศนวิสุทธิหรือยานทัศนวิสุทธิท่านก็บอกว่าท่าน ประเพร์พรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปบาทภาิรมิภานนันเองนะเพื่อดับวิบากกรรมชรุปทุกชนิดเหอนกันแม้พระเถระก็พยากร์ปัญหาที่ภาษารีบุตรนั้นถามแล้วถามแล้วยังจิตของภาษารีบุตรให้ยินดีด้วยข้ออุปมาในสถานที่จะนํามามาถึงด้วยรถน ะ, นะว่าวิสุทธิเจดประการเหมือนรถเจ็ดต่อนะเนี่ยนะเหมือนรถเจ็ดต่อเหมือนกันเถอะรถเจ็ดลัดเหมือนกัน นะผลัดที่หนึ่งสู่ไปหาผลัดที่สองลัดที่2ก็ไปหาพลัดที่3านี่ยนะกิเลวันนั่งรถ7ต่อว่างั้นนั้นพิสุจน์ที่7ก็เหมือนกับการนั่งรถเจ็ดลัดนั่นเองปันต่างฝ่ายต่างก็ชื่นชมภาสิทธิ์ของกันและกันทีนี้ในเวลาต่อมาพระาศาสดาประทับนั่งท่ามกลางพิสูจสงศ์แต่งตั้งพระเถระไว้ในตําแหน่งแห่งพิสูุผู้เลิศกว่าบรรดาพิสูจนทั้งหลาย ผู้เป็นพระธรรมกถึกนะก็คือเป็นผู้ที่แสดงกถาวถัตถุผู้ปฏิบัติในกระถาวัตถุสิบแล้วก็สอนผู้อื่นในกระถาวัตถุสิบอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นพระธรรมกถึกด้วยพระดํารัสตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระปุณณะเลิศกว่าพวกพิกษุสาวกของเราผู้กล่าวธรรมทีนี้วันหนึ่งท่านพิจารณาถึงวิมุติสมบัติของตนคือวิมุติคือพิจารณาถึงมรรคผลของท่านนะนี ก็เกิดปีติสมนัดว่าเราและสัตว์อื่นเป็นอันมากอาศัยพระบรมศาสดาหลุดพ้นจากสังสารทุกข์นนะไม่ว่าจะเป็นคือท่านพระปุณณะเองพระโกนธัญญาเนี่ยนะที่เป็นลุงของท่านภาษารีบทพระโมกขาลานะและบรรดาสาวกเหล่าอื่นอีกเยอะแยะเนี่ยนะท่านเหล่านั้นหลุดหลุดพ้นจากขันอายตนะถ้าหลุดพ้นจากวัตฏะสงสารเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการคบหา ท่านผู้เป็นสัตว์บุรุษคือสัตว์บรุษคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอุปการะมากเนาะ น, นะและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ใดไปคบหาสมาคมกับพระองค์เนี่ยพระองค์ยังบุคคลเหล่านั้นเหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์หมดเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวคาถาระบายกําลังแห่งปีติว่าไงเถอะปีติโสมนัสมากก็เลยอุทานว่าบุคคลเนี่ยควรสมาคมกับสัตว์บรุษ น, นะเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ผู้เป็นบัณฑิตชี้แจงประโยชน์เท่านั้นเพราะทีระชนทั้งหลายผู้ไม่ประมาทเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาย่อมได้บรรลุถึงประโยชน์อย่างใหญ่ประโยชน์อย่างลึกซึ้งเห็นได้ยากละเอียดและก็สุขขุมอธิบายว่าสัพพิเรวะแปลว่าด้วยสัตบุรุษทั้งหลายเท่านั้นในคาถานี้พระริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านประสงค์เอาว่าสัตบุรุษ ก็พระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นละธรรมของอสัตว์บุรุษทั้งหลายได้แล้วโดยไม่มีส่วนเหลือและสรรเสริญคุณธรรมอันดียิ่งเพราะบรรลุซึ่งบรรลุถึงพระศาสธรรมอย่างอุกฤษเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสัตว์บุรุษผู้สงบประงับแล้วสัตว์บุรุษนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ละบาปทุกชนิดแล้วก็บำเพ็ญบุญอย่างบริบูรณ์จึงจะเรียกว่าสัตว์บุรุษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสมาเสธความว่าพึ่งอยู่ สม่ำเสมอคืออยู่ร่วมอธิบายว่าเมื่อเข้าใกล้ท่านเหล่านั้นสระดับตรับฟังและถึงทิฏฐานุคติของท่านเหล่านั้นชื่อว่าพึงเป็นผู้อยู่ร่วมคําว่าอยู่ร่วมเนี่ยนะก็คือการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยสดับตรับฟังคําสอนของท่านแล้วก็เอาท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างนะทิฏฐานุคติก็คือเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นเยี่ยงอย่างปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นอย่างงี้ยคืเรียกว่าอยู่ร่วม บาดคถาว่าปันดิเตหัทถถถถถถธัตสิทีเนี่ยนะมีเป็นคํากล่าวยกย่องชมเชยพระริยเจ้าเหล่านั้นว่าปัญญาท่านเรียกว่าปันดาชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะมีปัญญาชื่อว่าปันดานั้นบอกว่าผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยท่านเป็นผู้ชี้แจงประโยชน์ะนะประโยชน์ก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์ อย่างยิ่งนะประโยชน์ติ้นประโยชน์ลึกประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็นต้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยมีหลายในเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายก็จะชี้แจงประโยชน์เหล่านี้นะเพราะฉะนั้นพึงคบหากับบัณฑิตผู้ชี้แจงประโยชน์เหล่านั้นนะสมัยนี้ก็อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกชี้แจงประโยชน์มากที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีคําถามว่าเพราะเหตุไรก็ตอบว่าเพราะสัตว์บุรุษเหล่านั้นเนี่ยเป็นบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งเพราะท่านผู้เป็นสัตว์บุรุษย่อมบรรลุอริรรยสัจ4ีประการ อย่างนี้แหละชื่อว่าบรรลุประโยชน์นะนะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาบรรลุอริยสัจเขาแทงตลอดอริยสัจทั้ง4เนี่ยนะก็แทงตลอดทุกข์ด้วยการกําหนดรู้แทงตลอดสมุทัยด้วยการละแทงตลอดนิโรธด้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดอริยมรดุด้วยการเจริญเพราะเมื่อครบท่านเหล่านั้นโดยชอบก็มีแต่ประโยชน์ถ่ายเดียวและเพราะไม่ไกลาจากมัรคยานเป็นต้นทีเดียว สัตว์บูรุษเหล่านั้นเนี่ยนะที่ท่านบรรลุอริยสัจเนี่ยเพราะท่านอะไรท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกปรารบความเพียรบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณัสสนะท่านเหล่านั้นก็จะแนะนําให้เราเนี่ยเป็นผู้มักน้อยสันโดษนะไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเนี่ยบริบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้น น, นะก็จะบรรลุมักผลเหมือนกับเช่นกับท่านนะนะเชื่อว่าบรรลุ ค, ความยิ่งใหญ่เพราะมีคุณใหญ่เพราะ ความเป็นผู้สงบประงับเนั่นะนะนะนะก็จะได้ถึงคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่นะโดยเฉพาะอาริยมรรคอริยผลและก็ น, นิพานเชื่อว่าถึงความลึกซึ้งเพราะยังไม่ถึงเพราะมีอารมณ์คือยานอันลึกซึ้งนั่นะนะประโยชน์อย่างสูงสุดโดยเฉพาะพระนิพานเนี่ยนะจะต้องอาศัยยานที่ลึกซึ้งจึงจะเห็นแจ้งแทงตลอดบรรลุได้ เชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะผู้ที่มีฉันทะเป็นต้นหยาบไม่สามารถจะเห็นได้เพราะคนนอกนี้เห็นได้โดยยากพระนิพพานเนี่ยนะคนที่ฉันทะนะแบบอะไรปฏิบัติไม่อยากบรรลุอะไรเลยเนี่ยนะทําำหยุดหยุดหย่อนหยน่อไม่มีความภาพเพี้ยนไม่ได้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอะไรเนี่ยไม่ได้บรรลุหรอกประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฉันทะคือเรียกว่าความพอใจเนี่ยต้องมีกําลังอย่างมากความเพียรเนี่ยจะต้องยิ่งเป็นต้นอนะ่ะจึงจะสามารถบรรลุได้ เชื่อว่าละเอียดเพราะว่าเห็นได้ยากและเพราะเป็นสถานที่ละเอียดอ่อนโดยเป็นอารมณ์ของยานที่ละเอียดอ่อนเนี่ยนะพระนิพพานเนี่ยจะต้องยานที่ละเอียดจริงๆจึงจะเห็นพระนิพพานได้เชื่อว่าบรรลุถึงพระนิพพานเชื่อว่าสุขุมเพราะเป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดอ่อนเนี่ยนะแล้วก็เพราะเป็นสภาพที่สุขุมเนี่ยพระนิพพานนี่สุขุมคิดดูในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยก็ยังละเอียดใช่ไหมนิพพานเนี่ยที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเลยจะละเอียดขนาดไหน หรือชื่อว่าบรรลุ<า>ประโยชน์เพราะมีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นสภาวะโดยอาจว่าไม่แปรผันนิพพานเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ไม่มีการแปรผันเพราะไม่ถูกปัจจัยเนี่ยทำให้แปรผันสังขารทั้งมวลเนี่ยนะถูกปัจจัยเนี่ยทำให้แปรผันแต่พระนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรทําให้แปรผันแล้วก็เรียกว่าถึงความเป็นใหญ่เพราะกระทาความเป็นอริยะและเพราะเป็นนิมิตแห่งความยิ่งใหญ่นิพพานนี่ใหญ่จริงอะนะผู้ใดเห็นพระนิพพานผู้นั้นเป็นพระอริยะเลยอะนันก็เป็นสิ่งที่ยิ่งจริงๆ ชื่อว่าลึกซึ้งเพราะไม่ตื้นเป็นสภาวะเห็นได้ยากเพราะว่าเห็นได้ยากคือไม่สามารถจะเห็นได้ง่ายเชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะว่าลึกซึง้งที่ว่าลึกซึ้งก็เพราะาเห็นได้ยากจึงจัดเป็นสัจธรรมสี่โดยพิเศษเนี่ยนะคำว่าที่ละเอียดลึกซึง้งเน้นนิโรธสัตวนะ์ที่ละเอียดสุขุมลึกซึง้งเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายขวนขวายในการมาฐานที่มีสัจจะสี่เป็นอารมณ์ย่อมบรรลุโดยชอบทีเดียวเพราะสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือปัญญาเนี่ยนะ มันผู้ที่มีปัญญามานาสิการพิจารณาใคร่ครวญอริยสัจมากก็บรุอริยสัจได้อย่างแท้จริงนะนะสำคัญว่าวันหนึ่งไม่เคยคิดอริยสัจเลยมันจะบรลุอริยสัจมันจะเป็นไปได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเรื่องอริยสัจมาชนคิดมาพิจารณามาไตรตรองมาใคร่ครวญมาทํากิจของอริยสนะัจจ์จึงจะสามารถบรลุอริยสัจได้ บทว่าอภปมา ต, ตาความว่ายังข้อปฏิบัติคือความไม่ประมาทให้บริบูรณ์ด้วยการอยู่ไม่ปราศจากสติในที่ทั้งปวง น, นะคือมีสติตั้งมั่นในการปราลบอธิศีและศิขาเป็นต้นนั่นเองอันผู้ที่ไม่ประมาทก็คือผู้ที่ตั้งตั้งใจไว้ว่าเราจาับ ป, ประพฤติศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์จะอนุเคราะห์ศีลที่บริบูรณ์แล้วให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ยนะสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะก็เหมือนกันหรือแม้กระทั่ง ทุกขศัต์ที่ยังไม่กําหนดรู้ก็ตั้งใจที่จะกําหนดรู้ที่กําหนดรู้แล้วก็จะกําหนดรู้ให้ยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะ น, นะสมุทัยศัต์ที่ยังไม่ละก็จะละอที่ละไปแล้วก็จะเพิ่มพูนในการละให้ยิ่งย่งขึ้นไปอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่ประมาทบทว่าวิจักขนาได้แก่เฉลียวคือฉลาดเฉลียวฉลาดนะ น, นะคือคือมีวิปัสนาภาวนานั่นเอง น, นนะะเพราฉั้การอยู่ร่วมด้วยกับสัตว์บูรุษเนี่ยนะจะทําให้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาอย่างที่กล่าวไป เพราะเหตุที่ทีรชนทั้งหลายคือผู้มีปัญญาเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาย่อมบรรลุประโยชน์พิเศษมีความเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นต้นเพราะบัณฑิตทั้งหลายชี้ช่องคือเป็นต้นเหตุเนี่ยนะบัณฑิตเขาจะชี้ช่องว่าเออเนี่ยนะนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้นะเขาจะชี้แนะชี้แจงแนะนำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควบกับสรรบัตว์บรุษเมื่อครบกับสรรบัตว์บรุษนี่เราก็พึงได้บรรลุคุณธรรมเช่นนั้นแน่นอนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคาถาที่ พระปุณณามันตานีบุตรพยากรณ์อรหัตผลกล่าวถึงการตรัสรู้บรลุมักผลของท่านนั่นเอง